p o ร t ูดเป็นการเห็นการเหจากการดงไ i ่ใช่เห็นทางตาเด้อต n ในเป n ผู้ที่จะต้องเห็นเรื่องการแสดงด้วยสติสองมัจฉ n นี้ ให้การในเพื่อจะได้เห็นสิ่งที่สสดงออกไปการแสดงออกมันออกไปทางกายทางใจของเรานี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ถูกต้องที่มันแสดงออกตาเนื้อมองไม่เห็นตาไหนเท่านั้นที่มองเห็นดลงนั้มีวิธีปฏิบัติต่อจินห่านี้ที่ส้มสอนตอรสงแสดงของพระพุทธเจ้าโดยแสดงให้เห็นให้ดูเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อย่างไร ที่มันแสดงออกทางกายทางใจเรานี่เมื่อใช่สอนท่านท่้งหลายบ้านทั้งหลายลูกอะไรทั้งนักแล้วดีวกว่าหล่องากาที่พูดอยู่นี่ที่แสดงอยู่นี่ทางลูกที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนจากการเหตุจากผลจากความคิดประสบการณ์ต่างๆ มันอาจะเกิดจากภายนอกภายนอกใจเดินความโกรธโกรธขึ้นที่ติดใจเราก็ยังโกรความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ยังมีทุกข์ความหลงเกิดขึ้นเราก็ยังมีความหลงความรู้ที่ได้เรียนมาอาจจะทาใช่ไม่ได้วันที่จะมีชดใช มาดูเรื่องนี้มันไม่ใช่ความรู้เกิดจากการกระทำใ ห, ให้การกระทำเกิดขึ้นกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องเปิดควงหลงที่หวังแสดงออกตัง้งหายทางใจทางตายทางหูสมองดินกายใจตัวตให้ยิ่งเฉติเห็นแล้วก็เปลี่ยนมันให้เป็นภาวะที่รู้ทันที ทันทีในคราวเดียวกันยิงแต่ว่าสอนให้ทำบอกให้ทำแสดงให้ทำไม่ใช่ลู่แล้วลู่แล้วความกลมหลงไม่ดีความโกรธไม่ดีความทุกข์ไม่ดีแตเรายังเป็นทุกข์อยู่ยังมีความโกรธอยู่ความลู่ที่มันไม่น่าไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องมันใช่หมือได้ถ้าไม่นี้การกระทำ เกิดขึ้นอนสิงที่มันไม่ดีในคราวเดียวกันนั่นเรียกว่าวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติปฏิบัติตคือโต้ต อ, อบทักท่วงเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาถูกต้องเติมตอบหลงไม่ถูกต้องเปลี่ยนนึกมันถูกต้องคือรู้สึกตัวแทนที่ จะปล่อยให้ไว้ในเกิดขึ้นในตาในใจไม่ได้มันจะเปิดเพื่อนมาผิดที่เราเปลี่ยนให้ลูกเปลี่ยนให้ไม่ผิดนถึงว่าปฏิบัติทำไม่ใช่ไม่ใช่ที่จะลูกเป็นหลักปฏิบัติทันทีลงไปทันทีในเท่าเดียวกันมีความไม่ดีมีความดีถูกต้องเกิดขึ้นในเาวนั้น ความทุกข์ไม่ถูกต้องกวามไม่ทุกถูกต้องความโกรไม่ถูกต้องควาไม่โกรถูกต้องเตรียมทันรีเตรียมทันทีไว้ไวชั่งหน่อยไว้ไว้ชั่หน่อ ย, อยถ้ามีจติตตีมันจะไวถ้าไม่มีจติตตีมันจะช้าสิดตียี่สิบปีก็ยังโตดอยู่ทุกข์อยู่หลงอยู่หลงแล้วมันเรียกเฉลิมลาภอ่อยๆวมหลงจนความคิด คิดแให้ตัวงเป็นทุกข์ก็ยังคิดอยู่เช่นนั้นทุกข์กว่าความคิดเาจะทุกข์กับสิ่งอื่นไม่มีใครเอาเปืนมายิงมาไม่ฆ่าไรตีเอ่ตัวคิดของตนแล้วก็ทุกข์คิดขึ้นมากัะดอดอัดเจ็บปวดเพราะยังไม่รู้เพราะไม่เคยฝึกหัดเป็นทุกข์กว่าความคิด ให้ความคิดต่อจนชคเป็นทุกข์ตองท่านที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนไมนมีคนอะไรที่มาอะไรมาทำอ็จากความคิดแล้วลองมีสติมังจากไม่ได้ปล่อยทิ้งต่อตื่นแล้ล่นเรื่องนี้มากคนมีสติอ๋อาอาอยความคิดสุกปกว่าคิดอี่ไง่มีสองลักษณะ คิดทิดตั้งใจคิดนี่นี่ไม่เป็นไรถูกต้องนี่แต่ความดีตั้งใจคิดช่องสอนทำให้มัง่งมีสิรุขทําให้อยู่ดีมีโช่อกนคิดที่ไม่ตั้งใจนั่นเดี๋ยวปล่อยวันทิงไว้ให้รู้ทันทีมันไม่ถูกต้องอย่าให้มันไหลใสเป็นถวายของจิตของใจเรา ตะวันของเกติคือมันชิดนั่นแหละให้ความเพลินทางจิดตนี่ต่ใจโดยชักหน่อยไว้ไว้ชั่งหน่อยถ้าไม่หัดมันก็ไม่ไหวเดินนี่อินเชี่อมากเดินอารมณ์ข้างตายเป็นแฟนที่ทอบห้ังจิตใจของตดเองใจดีๆบริสุทธิ์เปิดเอนไปหมดเลยเพราะความคิดที่ไม่ดี กลายเป็นจลิตนิสัตัวสารจลิตโมหะจลิตลาข้าจลิตเหมือนเปิดเพื่อนได้งาดีเป็นร่ายได้เรงคิดเนี่ยปฏิบัติทำกันเล่นงานตรงนี้แต่ว่าต้องฝึกไปก่อนให้นีชติรู้จักตัวประเด็นการตามหลักพุทธเจ้ารงสองศน เมื่อสติปัญาเกิดยึดนประจอมสมัยที่สัมมีเป็นประจอมสติปรรญาเกาิดต้องประกอบขึ้นมาตู้รขนเข้าเหยียบแขนลงรับให้รู้ประกอบไปความไม่เคลื่อนไม่ไหวกับเคลื่อนไหวให้บรรลกมันถึงจะเปนประจอมมันจึงชินชานานชานานทางลู่ไปในากาย เอ า, าเกิดไหลขึเดีกายก็ให้ลูกมันจะมีอันชี้ให้ลูกเกิดขึ้นให้ได้ไดเรียนลูกได้บทเรียนได้ประสบการณ์จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นกัายทำไมเราไม่ลูกเป็นตัวเป็นตนให้เห็นเจ้าก็สงสอนๆวันเรากายเสว่ากายไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเหรอนั่นเป็นความถูกต้อง เมื่อมันเกิดเลยขึ้นกับลายโซนกายขึ้นมากายนี่กายกนีกายนี่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปกายอาศัย่วนกายนีกายมันเกิดจากนี่ไปเป็นพเป็นชาติอีกแบบหนึ่งว่ากายเป็นที่ตั้งให้เกิดบเบกว่าชาติเกิดชืเลนัณหาหละทลเกิดความสุขความทุกข์เราจึงเห็นจากว่ากายไม่ใช่สัตว์ตัคน อ่าเป็นควมถูกต้องบอกไปแล้วบอกทางมาหน้าก้ามันจะเกิดอะไรขึ้นที่กายไอ้ลู่นเรื่องนี้นะก็มีบอกสิงที่บอกผิดบอกถุกให้ปฏิบัติตามนะก็เสียงพระเจ้าจะกกนบอกเวลาแลเราปฏิบัติอาไ้เกิดขึ้นช่อนดี่กายร้นมันหนาวเป็นผู้ร้อนผู้หนา เป็นปวดเปนมืยเป็นทุกข์วดปวเมือ่อยมันหิวหมันอะไรก็เป็นตัวเป็นตนเข้าไปเจ้าตะโกนบอกนั้นจะว่ากายไม่ใช่จัดตกคนตัวตนเราของเราก็คู่แข่เข้าเหยื่อซะดอกลูจ่จากตัวทันทีอย่าไปอ่อนเออไว้ฉิบฉิบหน น, นั้นนั่นจะบอกถูดบอกถูกบอกที่เราจะเคยชินกับจิงหนอนนั้นมามา้า ก็ต้องขวักันหน่อยจึงขยันกันหน่อยกรรมฐานตามรูปแบบของสตรษฐบุฐานสมมชญะบัพท์การเคนไหวบัพทการเคนไหวสมมชะบัพทตู้เฉนเท่าเยร์เนโอทําแบบที่หลวงปู่เทียนสนสิบสี่ังะสิบสี่ท้าทุกนาที ทุกๆวินาทีรู้ทุกๆวินาทีไม่นานกว่านี้ไม่ช้าเกินกว่านี้ปั๊มงานนี้ทุกนาทีรู้ทีหนึ่งทุกวินาทีรู้ทีหนึ่งเอาโดยใช้มันจะเกิดอะไรขึ้นมาจะพอใช่ไหมถ้าเรารู้ทุกวนาทีอยู่ดีกายนี่จะเพียงพอก็จะใช้ได้ไหมจริงที่มาเกิดกับกายเนี่ยจะให้เป็นความรู้ได้ไหมสืบสูตรเรื่องนี้แสดงให้ฟังให้เห็นเรื่องนี้เอาไปทำ มันใช่จำเอามันเกิดขึ้นคือเราทุกคนเราหลงเองต้องรูกเองเราโกรธเองต้องรูกเองตัวใครตัวมอร์เดอร์นี่ช่วยกันไม่ได้ต้องฝึกหัดทำหัดทําไม่เป็นมันทาไม่เต็มถ้าไม่หั ด, เ, เ, หดเอกฉะนั้นก็เหมือนกันถึงสุขเป็นทุกได้ไม่จะมีเกิดขึ้ น, นมหมเหตุ ม่นใช่เป็นหลักโชดเขียนไว้มันเห็นมันมีแล้วจริงจะแสดงไว้พู้เจ้าทุกทุกแสดงไว้มันมาอย่างนี้เวทนาที่เป็นโสด เ, เป็นทุกเกิดจากต่างจากใจนะก็ศักว่าเวทนาะไม่ใช่จากอุคกรณตัวตนโลเก่าอย่าเอาโสดเป็นของตัวเองเป็นตนชอบอย่าเอาทุกข์นันจิตตัวเราเอาไปโชอบ ไปแต่ความชอบความไม่ชอบไปนวดไปใส่เมื่อมีความชอบความไม่ชอบเกิดจากเวทนาก็กายเป็นเจเลตต์ตัณหาละครับเป็นตัวเป็นตนอุปทานยึดมันถึงมันเป็นภพชาติไปอีกกับพืชเถือไปเป็นชาติต่อไปอีกเป็นภกต่อไปเวทั้าเนี่ยเวทนาต่อไปมากมายกายกองตอนเช้าดีๆตอนเย็นไปเดือดไปอ๋อสิเหล่านี้มันเด้งไป นี่ให้ออกไปทำดูแล้วก็คู่แขนก็เดี๋ยวจะนอกรูดจากตัวเหมือนเดิมหลักมันอยู่ที่นี่ที่ตั้งอยู่ที่นี่เรีว่าออกกายเป็นที่ตั้งจำมมาฐานจำานการกระทำฐานคือที่ตั้งให้รู้คืให้มีรู้ที่ตั้งนี้ตั้งอยู่ไว้ตั้งอยู่ไว้ตั้งอยู่ไว้ยหนึ่งชั่วโมงสงชังง่วโมงเกิดวันเกิดเดือนเดปีจะเกิดเลยขึ้นที่ศูนย์กันดู อ๋อเรามีสถานที่ให้ไปจุดตรงนี้อ๋อวันนี้ก็พ อ, อจะใช้ได้แต่ก็โตก็พอจะใช้ได้อยู่ที่นี่สองวันนี้เหมือนฌาปน์ปฌนเู็ครับติดชอบนอเรามีเพื่อนนิดๆหลังจากก็ขอที่จะเป็นเพื่อนได้ตอนนี้แต่ว่าอาใชยเพื่อนใช่แล้ว โดยเฉพาะน้อยตอนเช้าิตต้องมนการเกิดขึ้นจากคิดเมื่อมีสตีดวงใจรือทีตั้งเรามันแสดงมาทางจิตคือควาคิดตัวนี้นี่ละตัวที่จะสนุกกันดีอะสนุกที่สุดละเมื่อมีสติเพียงว่าอยู่ในกาเราจะได้เล่นงานด้วยนี้กันสนุก มันจะแสดงมากกว่าทุกเรื่องแสดงมาทางจิตทางความคิดติมันก็มีมีลูกมีน้ามันมีความคิดมั็นสวรรค์มือของมันแสดงออกช้างหน้าช้าหลังละ่ะได้ลูกจได้ลูกจด้ลูกซึ่งมากกว่ า, วาลูกที่กออีกสบกหนถูกกออย่า ง, างาเดียวได้เห็นหนึ่งสี่อย่าง ตีด่านที่มันูกที่มันชวนให้หลงไอเวทนาจิตทำเปกจากความเชื่อิี้กันมากะลู้เอาลู้เอามันเลยรู้แต่อาวะชีวิมันไม่ไรู้ต้องสองผัานดูแล้วสผ่านดูสอมหลงสงไม่หลงอยู่ดีๆมันชื่อกันมา พอได้สัมผัสก็ตอบได้โชคดีก็ตอบได้เลือกได้แล้วบะเนี้เลือกขอความที่ไม่มันมันถูกต้องหลังความไม่ถูกต้องมันก็หมดไปหมดไปหมดไปมันก็จะเรื่นขึ้นจะเรื่นขึ้นโชคดีการที่มันหวดไปมันก็มากขึ้นมันงอกงามจากก็มไม่ถูกต้องแลังความถูกต้องมากขึ้นมันไม่ใช่งอกงามจาก มันตวมันเองประสบการณ์บทเรียนที่มันไม่ถูกต้องเกิดขึ้นมาหลงหลงร้ายไปหลงด้ความไม่หลงจากความหลงด้ความไม่ทุกข์จากความทุกข์ถ้าเราไม่ฝึกด้ความหลงจากความหลงหลงที่ไหนก็มันหลงทุกทีทุกทีเลยก็มันทุกทุกที ความทุกข์กยิงก่งงอกงามขึ้นถ้าเราไม่สุขภาพถ้าเราสุขภาพนะความไม่หลงความรู้เฉลีวยวฉลางอกงามขึ้นออมาเป็นปุ๋ยเลยก็ได้ถ้ามีทุกข์จะแท้พระเจ้าแต่ในัติขึ้นใดจนพระพุทธเจ้าไดา้ตรสัสรู้ตานุสตรละสัมมาสัมปวติยานเราเห็นอะไรนี่ไม่ซีห ปฏิ บ, บัติธรรมเป็นงานชอบที่สุดให้สนอยู่เรื่องนี่เนี่ยจะทำที่มันเกิดขึ้นความเชื่อมความจเจริญที่เกิด จ, กาจากการจักใจทีแล้วก็เกิดลอยขึ้นมากมายหลายอย่างที่บผลทำทำทั้งหลายทำทั้งหลายว่าที่สุด ก็ให้เห็นในลูกก็ทั้งนามทั้งสอดอนนี่แล้วใยได้ผ่านง่ายอะไรก็ผ่านขึ้ง่ายก็ได้รักสูตรดีแล้วได้วนเรียนปฏิบัติต่อไปเป็นเครื่องมือดูตัวเองได้ช่วยตัวเองได้ดูไปดูมาเห็นเป็นลูกเป็นนามาทั้งรูกทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมนี อาจจะมาต้องเรียกว่าเวทนาก็ได้ว่าเรียกว่าฉุกเฉิน ก, ก็ได้ถ้าเห็นรูปเป็นนามแล้วเรียกว่าอาการอาการที่เกิดขึ้นกับกากับใจอาการที่เกิดขึ้นกับรูป ก, กับนามนิดนิดหน่อยหน่อยแล้ววะเนี้บ่วเบาบ า, บางแล้วทิ้งคือเผลอๆไม่เป็นทัวเป็นจนอะไรเลยบะนี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นความรอดจรรารการของรูป ความเหนาะเป็นอาการของลูกความหิวเป็นอาการของลูกก็เลยน่าจจะขอบคุณมันซะไอ้ที่มันลูกที่มันรู้จักร้อนจากหนาจากหิวจากเ จ, ากจ็บจากปวดยุ่งกั ด, ข, ดข้อเจ็บเกินนี่อะไรมันกัดหนูเนี่ยมันเจ็บเนี่ยมันทำดูเป็นเหตุเล่นหน่อยดูไม่เห็นนะมันกัดหนูเองนี่ หยิบหัวก็เป็นเขียบไปหน่อยเป็นมันขัดเลยนะขอบคุณความเขียบนะถ้าไม่เขียบมันกำได้เลยลูกเนี่ยจริงๆเป็นสัญญาณไทยเป็นนาการไม่ใช่มาเป็นสุกเป็นธุ์โดยทุกักใจใจดีดีความโกรธเป็นนาการไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องไปแสดงหน้าโวยด่าเบิง น่ายิ้มยิ้มซะอาการน้อยน้อยความโกรธความโอบวางหลงความทุกข์เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับจิตไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอะไรเจ็อามาอยู่จะหลงอไรรู้นะใหญ่มากความโกรธหอมอะไรก็ได้ผิดขลาจุดหอมตามความโกรธหอมตามความหลงทำตามความทุกข์เสียงผู้เจียคนรวยผิดพา ถ้าเฉื่ยด้เฉี่อยเดือดว h ổ เฉื่อยเรียบควาทุกข์เมื่อเร่เห็นเรื่องนี้ได้รู้เรื่องนี้แก้ไม่ดได้เป็นบาปอันเขาทำมาเราเป็นทุกข์ทให้เราเดือดร้นนอนนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องอะ่ะแต่ถ้าเราทำให้คนอื่นเดือดร้นนอนจะโดนโอ้ยเฉื่อยหลับเฉืุ่ดเลย จึงกระตือโดยร้นเดืนไม่ทําเด็ดขาดมันจึงเป็นเพื่อเพื่อรักความชั่วทำความดีไปในสําเร็จแต่ข่าวเดียวกันก็ลูกยิ่งเห็นจริงเห็นจริงจริงหลวมโกดไม่ถูกดองจริงจริงความโกดถูกต้องจริงจริงจริงเรื่องนี้เรื่องปฏิบัติได้จริงเรื่องนี้เตียนได้จริงโกดที่ใดลู่ทุกทีทุกที่ใด้ลู่ทุกทีหลงที่ใดลู่ทุกที รู ki, ้จร so ิงเร่องนี so ้ท so ําได้จริงจริงยิงได้สมาธิแดงเนี่ยกว่าชิงทําไมเสียเปียบมันทําไมบางทีก็ทุกข์กับความคิดเนี่ยนอนจะไม่หลับไอ้ความคิดกลาเป็นทุกข์นี่ยแค่นี้หรือน่าจะยืมหัวยิ่งเราไม่วิชากรรมวัฏฏะเราฝึกหัดก็อาจจะไม่ตรงหัดว่าชาทําเป็นแล้วไอ้ไปยุกมืเคลื่อนไว้ อีู่ตลอดเวลาใช่ได้เลยตัวมรู้ชักตัวนี่นีอยู่รกตัวลูล่รกบนี่จะติเป็นหน้ารลกไม่เหมือนหน้าเนื้อหน้ารอบของด้านตาหนนี่มันรลกมันต้องเงดบเมื่อเต็นแล้วนีแต่งอกางามขึ้นเรื่อยๆไม่มีทางเสี่ยงเลยจะตามขึ้นว่ามันมีให้งามสิ่งที่งาม มีรูปมีนามมันจริงโดยสําเร็จเรื่องนี้ลูกนามในเพื่อสารนี้ไม่ใช่เพื่อให้เจอให้เสียให้ตายรอวันเจอวันเสียวันตายไม่ใช่อย่างนั้นได้สาเร็จแล้วเลยทําให้มีอาณาสงขึ้นมาทั้งเจ็บเป็นหนุ่มเป็นสาวทั้งตัวรุ่นรุ่นเงยแข็งแรงมากเราได้ใช่เป็นนาน ไอ้เด็กมีความพูนใจว่เออเราทำแล้วนี่เรื่องนี่มาแล้วตั้งแต่สี่สิบห้าสิบปีก่อนรู้จริงเรื่องนี้ตั้งแต่สี่สิบห้าสิบปีก่อนเราก็ยังจนวันนี้จนวันนี้ทําตั้งแต่สี่สิบห้าสิบปีมันจนวันนี้มันได้ใช่อถึงวันนี้ถ้าเราไม่ทำม้วไม่ได้ใช่เลยเลย ทูกก็เป็นทุกอยู่เช่นนอนหลงก็หลงอยู่เชนนอนโกรธก็โกรธอยู่เชนนอนมันมีข้อคากมากคิดของเราเนี่ยรูปนามเนี่ยน้มศ อ, อนเนี่ยน้มส อ, อนคููเจ้ามาสอนลูกสอนนามมาสอนคนนี่แหละคนไม่มีลูกไม่นามเนี่ยมันสอนถูกต้องลําเป็นนักเป็นผลมีอันนี้สมเห็นมากเป็นผลเมือกานเกิดจะเจ็บตาย รูกน้มนี่ถ้าเราไม่หมัดไม่ฝึกมันก็มิได้แก่จ เ, จเจ็บตายเป็นทุกข์แต่กลัวมาเที่ยงก็เป็นทุกข์กลัวเทุกข์ก็เป็นทุกข์แต่ผู้ใจอ่อาเห็นกลไมา่เที่ยงเนี่ยเป็นนิพพานเห็นความทุกข์เป็นนิพพา น, น, า น, น, านต่างกันไหมกับพวกเราที่นั่งอยู่นี่ เวลามันเกิดลอยมาเที่ยงขึ้นมาจับตัวเรากับคนอื่นจะทุกขหรือเป็นนิพพานกันเห็นไหมเห็นความไม่จริงเห็นความจริงไหมความไม่เที่ยงเใจมันเที่ยงอย่างลอยความเป็นทุกข์ใจมันเป็นทุกข์อย่างลอยเอามาเป็นตัวเป็นตนทำไมายเกิดขี่กับเราก็มีเกิดขึ้นกับโลกก็มีโลกนี้มีสิ่งที่ควบคุมอยู่คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตน ไม่เหนื่อยเป็นใหญ่ในกาลเวลากาลเวลาเป็นใหญ่ตื่นเชิดถ้พระจิงทั้งหลายอันไรนเป็นเช่นนั้เอาความมาเที่ยงมาเป็นตัวเป็นตนทํำไม่จะให้มันเที่ยงอย่างไรตอนเป็นทุกข์แทนเป็นสุขได้อย่างไงรู้จริงรู้เรื่องนี้กูเจ้าจึงว่าเมื่อใดเห็นมีปัญญาเห็นความเที่ยงเกิดขึ้นนั่นแหละเป็นมากกว่านิทาน เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งกลวงมาเที่ยงเมื่อน่านยมหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์คือโนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งท่านในสารแต่ทางนั้นเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งกวงนี้เป็นทุกข์เมื่อน่านยมหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนอนเหละเป็นทางแห่งท่านในสานอันจะจมวัดจดไปทางนี้ ออกมาเป็นทุกทำมาหน้าบัวหน้าเบื้งทำมาลลองให้ละไมอันบอกเกิดบอกถูกมันรู้เรื่องนี้รู้เรื่องนี้ดันเกิดพุทธะเรื่องนี้ในความไม่ถูกต้องเหมือนกับบัวโดยจี่ในที่โคนสกตกมันนต้นขึ้นมาำจนดอกบัวที่สยงามมีกลิ่นหอมมันเป็นอุย๋ย ปลอมเที่ยงตนปุน๋ยให้เกิดมากเกิดผลปลอมบรนทุกมันจนปุน๋ยให้เกิดมากเกิดผลชีวิตเราพัฒนาได้ลูกดามพัฒนาได้กายเลยพัฒนาได้ให้เป็นมากเป็นผลได้ถ้ามีรูปมีนามแล้วมีมากมีผลถ้าปฏิบัติตามพุทธเจ้าจงสงศ์จนทํำมัยจนผู้ไม่จน นดชเ็น่่ฉเจได้ช้เจ็ังไงเห็นวิธีปฏิบัติที่เป็นตานนอยเห็นเห็นไม่ได้เต้นเลครับสิ่งที่บังเกิดขึ้นเห็นกายชั่วกาเห็นเวทนาสักวิชาดาเห็นจิตชั่วจิตนมชั่ธรรมนั่นเห็นหีว่าเต้น เห็นกับเป็นมันต่างกันเช็นมันทุกเป็นผู้ทุกเป็นผู้ทุกก็จนแล้วมันทุกเห็นมันทุกนั่นอาจจะไม่็นผู้ทุก่เห็นมันทุกเห็นมันทุกมันทุกเป็นผู้ทุกมันอยู่ตรงนี้แยกทางตรงนี้ปฏิบัติตรงนี้จึงเห็น เห็นเหมือนเจ็บไม่ได้เป็นผู้เจ็บเห็นเหมือนเจ็บตกแต่นแล้วเหมือนเจ็บนันลูกผู้เจ็บที่เป็นตัวเป็นทุกข์นี่เห็นเหมือนเจ็บปฏิบัติอย่างนี้หัดจนสอนตนอย่างนี้นี่อยู่ให้หัดอยู่เสม อ, อยึดของเราเนี่เพื่อหัดเป็นถ้าหัดเป็นเป็นมากเป็นผลถ้าไม่หัดกนะ็เกิดเจ็เจ็บตายลูกนามนี้ และไม่ได้ประโยชน์จางานมาต่อยอดเอาให้เกิดมากเกิดผลยอดที่เกิดมากเกิดผลความหลงเป็นยอดไม่ค่อยดีว่าไม่หลงต่อยอดบนความหลงงานหลงที่ใดไม่หลงทุกที่นั่นแหละมันจะต่อยอดทุกที่ใดก็ไม่ทุกเหมือนมันทุกไม่จนทุกทุกนั้นยอดหน่อยครับจากนี้ ถ้าหัดต้นมันก็ไม่ได้ทำออกมันเต้นแต่แล้วเต้นแล้วสอนให้เต็นนี่ไม่มีใครสอนเราได้เราต้องสอนตัวเองไม่มีบาหาไปเลยไหนสอนสอนให้เต้นเนี่ยต้องตัวใครตัวมันให้ทำให้มีการกระทำาปยืนไหมนี่ดแสดงให้เห็นไม่ใช่ประจอมเอา มันจะได้เห็นอยู่เสมอสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเรียกว่ามีผู้บอกแล้วมีผู้บอกมีผู้แสดงให้เห็นแล้วเวลาเราสิ่งที่เราหลงคนอื่นเขาไม่หลงสิงที่เราทุกคนอื่นเขาไม่ทุกมีนะสิ่งที่เราโกรธ้นหนึ่งเขาไม่โกรธก็มีแล้วในโลกนี้น่าอานะน่าชังไหมนะคนที่โกรธที่ทุกอยู่เป็นคนล่าชังไหมนะ เขาไปกันแล้วน่าอายมากเพราะฉะนั้นจรงถูกนนนจนโฉนโจรแย่ใส่โจนอย่าไปโจนเรื่องนี้ถ้าหากว่าไม่โจนจริงๆอะเรามีนิดอย่าไปโกวคนเดียวอย่าไปทุกคนเดียวอย่าไปโกวคนเดียวอย่าไปทุกคนเดียวมีนิดดีขึ้นมีการพูดดุดันี้ เป็นชาวฮันเลยได้อย่าไปจนเงียวเสียดายคน่าตัวตายวิ่ขึ้นมาไม่รู้ออกความคิดขึ้มาทายตัวเองให้ความโกรธทำลายตัวเองทำลายคนอื่นน่าเสียดายน่าจะช่วยได้เรื่องนี้ช่ยได้เจดายเจอดายเดาย ฉันขานเกิดข้นได้เชื่เหมือนกับพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อนนี้เจ้าสังขารันขานเกิดขึ้นแล้วเนาะฉันขานเกิดขึ้นแล้วนะปุ่งแจงแล้วเนาะอุปทานยแล้วเนาะอุปาไว้ทำไมไอุปวิชิตแต่ว่าโลชันเิแก้ได้เชได้เสื่ได้อยู่ะฉันบูปผาจมูุ เมื่อแช่ความโกรธป็นคไม่โกรธแล้วจะอยู่เป็นสุกนะสุกนะจากความโรธเป็นคไม่โกรธจากปวามทุกข์ควาไม่ทุกข์แช่ได้อยู่เช่เราอยู่ยัยป่อทิ้งนั้นสุกปกมากกายของเอาใจของเราเนี่ยมันเกิดมาเกิดผลมีกายมีใจมีลูกมีนามนีได้อันนี้โสงจากกายจากใจนี้เมื่อมันเกิดอันนี้สง ลักษะดีแล้วมันก็เป็นผลประโยชน์เป็นผกระทบต่อสิ่งขวัตถุอื่นจากคนคนแดงเออที่จากคนคนหนึ่งมากมายหลายอย่างอม่น้ําต่อไมา้าละสิ่งสิ่ ง, ง, งแวดล้อมคุณทางความดีเออขึ้นจากคนคนดีแล้วก่อนมีผลกระทบถึง่งน้อมที่ดีจากคนคนหนึ่งเราะฉะนั้นจึง น่อจะชวนกันช่วยกันดีคนเดียวเป็นไม่ได้ชวนกันให้ศึกษาปฏิบัติก็มีแรงเท่านี้นะส้องกวเกวลานะ